ส ม, มานานิวิสัตถีวิรันหุวัติภิกขเเวรุกัสสุตายโยอริยสัจจังสัญญาสังเจตนาตัณหาวิตกละวิจาร์อันนี้เป็นส่วนของธรรมารมทั้งหมดสัญญา จิคู่สัญญาสตสัญญาคณะสัญญาชีวภาวิญญาราศมสัญญาพธภัสัญญาธรรมะสัญญาเป็นเรื่องของธรรมารมทั้งหมดธรรมารมที่เป็นส่วนสัญญาตกค้างตกผลึกไปเป็นสัญญาสัญจิตนา สัญจิตนาสัญจิตนาสัญจิตนาความคิดถึง สัญจตนาสัญจตนาสัญญาความจําได้หมายรู้สัญเจตนาความคิดถึงรูปสัญจตนาคิดถึงรูปสันดาสัญเจตนาคิดถึงเสียงาณะสัญเจตนาคันธสัญเจตนาคิดถึงกลิ่น พระ า, าสงเจตนาคิดถึงรถต陀บสังเจตนาต陀บะสังเิตเนาคิดถึงโพัพพะธรรมะสังเิตนาธรรมะสังเิตนาคิดถึงธรรมารงคิดถึงธรรมารงนี่ฉันพูดถึงสัญเจตนากัญหา ปัญหาความอยากในรูปรูปตัญหาความอยากในรูปความอยากในรูปสันดตัญหาความอยากในเสียงทันทตัญหาความอยากในกลิ่น ooky, รสชาติปัญหาความอยากในรสอตปบะัญหาความอยากในโพธิภะโพธิภะคือความกระทบ ธรรมันธรรมะธรรมะทันหาความอยากในธรรมารมส่วนของธรรมธรรมะเป็นอารมณ์ที่ตกผลึกลงไปเป็นส่วนธรรมารมวิตรกวิตกคือความคิดความตรึกถึงสันเจตนาความคิดถึงวิตตก ายเป็นตึกความตรึกถึงตรึกก็คือนึกคือคือคิดนั่แหละตรึกถึงวิตกตรึกถึงวิตกตรึกถึงรูปวิตกรูปวิตกสัตดวิตกคันธวิตกรสวิตกพุทธบวิตกธรมมวิตก ธรรมวิตกความเต๋วิตกธรรมวิตกความตรึกถึงธรรมถึงธรรมาร์ความตรึกถึงธรรมาร์วิจารตรองวิตกความตรึกวิจารณ์ความตรองตรองถึงรูปตรองถึงเสียงตรองถึงกลิ่นถึงรสถึงโภตภะถึงธรรมารงวิจาร ตกวิจารมีเป็นส่วนของอารมณ์อารมณ์ที่เป็นส่วนของตาอยายตนะภายในหูจมูกลิ้นกายใจเป็นส่วนของส่วนของธรรมอารมณ์ที่เป็นส่วนสิ่งที่ร่วงลงร่วงไปแล้วของอยายตนะภายใน อายตนะภายนอกอายตนะภายนอกอายตนะภายในมีตั้งแต่ โ, ต โ, ต โ, ตโตพธบตพพโพระ มีแต่พัทธสัรูปสัญญารูปรูปวิตรักรูปะรูปรูปรูปังโรเกปิรูปังชาตรูปัง สัโลกเยรูปังซาตรูปังคันธโลกเกยรูปังซาตรูปังรสวโลกเ r ียร์รูปังซาตรูปังุบโลกเกยรูปังาตรูปังธมโลกเกียร n รูปังซาตรูปังเป็นรงของายตนะภในกับอายตุนะภายนอก จักขวิญญาณังโลเกปิยรูปังสาตารูปังสัตดกวิญญาณังโลเกปิยารูปังสาตรูปังขันธ์โลเกปิยร <c oughs> um in ูปังสาตรูปังรสะโลเกปิยรูปังสาตรูปัง พโลกพิรปังสัตรูปัง้ามากิรปังสตรูปังมวิญญาณังโลกพิรุปังสตวรูปังไล่มาอยมเแขน มีแต่กิ่งมีแต่ก้านมีแต่แขนงมีแต่สาขาของมันทั้งนั้นมันพันกันรโยงไปยางเต็มไปหมดเพราะฉะ น, น, นั้นอันไหนกระดุกกระดิกพลิกแพลงมาเป็นเรื่องของมันทั้งหมดเลยเหมือนกับมอนในอยู่กลางถ้าเราจะเทียบกับใยแมงมุมเนี่ยเหมือนมันอยู่กลางเลยแหละเหมือนกับมันอยู่กลา ง, า ง, า เ, า เ, ลางเลยว่าแต่เส้นไหนเส้นไหนกระตุกทางไหนเนี่ย มันวิ่งรับได้หมดเช่นไหนก็ตุกเท่าไหนเกิดมันได้หมดความอยากคือตันหามันก็ตุกเส้นไหนนี่เหมือนกับแมงมุมที่มันอยู่กลางแมงมุมที่มันทํารังเป็นใยศูนย์กลางนั่นแหละก็ตกทางไหนถึงกันหมดกระตุกทางไหนถึงกันหมดมันวิ่งรับได้หมดวิ่งรับได้หมดหกสิบเส้นหกสิบสายเราดูตี มันจะกระดุ ก, กระดิกพลิกแพลงไปยังไงเป็นเรื่องของมันทั้งหมดทั้งไม่เราจะตามทันแต่วิธีที่เราจะตามทันเราจะสัมรวมทันเราก็สํารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวเนี่แหละสํารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวตั้งมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่จิตดวงเดียววิตาเกี่ยวข้องกับจิตที่ตาที่หู เกี่ยวข้องกับจิตที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่ผลิตภัณฑ์ที่ธรรมรมสํารวมมาที่ใจสํารวมมาที่ใจอย่างเดียวมันก็อยู่หมดสำรวมมาที่ใจอย่างเดียวมันก็อยู่หมดถ้าเราไม่สํารวมเราปล่อยมันเกิดมันเกิดปุ๊บเดียวขึ้นมาแต่ใจไม่สํารวมอย่างเดียวเนี่ย มันเกิดเป็นตันหาหมดถ้าเราสำรวมปุ๊บขึ้นมาแล้วตันหาไม่เกิดคือตันหามันดับละละที่นี่ดับดับที่นี่ดับที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจวิธีปฏิบัติสำรวมมาที่ใจดวงเดียวอยู่หมัดทั้งหมดปิดประตูหมดปิดช่องปิดประตูได้ทั้งหมดนี่ เรามาเห็นความสามารถของพระศิษยเจ้าที่ท่านพยายามโยงมาเป็นข้อปฏิบัติให้เรามาถือเป็นทางดําเนินเป็นทางปฏิบัติเพื่อมาอุดช่องเดียวมัดช่องเดียวเนี่ยที่ใจถ้าเราจะเทียบก็มันก็ไม่ต่างอะไรเลยกับที่ว่าปิดรูจอมปลวก 6, 6, ทั้งหกหกทั้งห้ารูนะั่นเหลือรูเดียวเนี่ยเพื่อที่จะจับมันเนี่ คืสัมโรมารถิจิตนั้นสัมโรมมารถิจิตตั้งสติกำหนดจดจ่อสํมโรมารถิจิตสมาตระวังมารถิจิตมันก็เท่ากับสํมโรมารถิตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กาที่ใจสํมโรมารถิจิตดวงเดียวมันมีค่าเท่ากับสํมโรมไปที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่ผลิภัณฑ์ที่ธรรมารมที่วิญญาณหกที่ผัตสหกที่เวทนาหก ที่สัญญาหกที่สัญเจตนาหกที่ตันหาหกที่วิตกหกที่วิจารณ์ทั้งหกสํารวมมาที่ใจดวงเดี่ยวเท่ากับสํารวมได้ทั้งหมดอันนี้มันเป็นตาราที่เราทําให้เราย้อนมาที่จิตของเรามาเป็นข้อปฏิบัติสํารวมมาที่จิตของเราเราจะพิจารณน้อ ม, มาในแง่สมถะ ม, มันก็สงบอยู่แล้วพ่าสำรวมมาที่ใจดรงเดียวเราจะพิจารณาในแง่ของวิปัสนาสติวิปัสนามันก็สำรวมมาที่จิตดวงเดียวมันก็อยู่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความสัมรวมสำรวมก็คือระวังคือกำหนดคือจดคือจอ่อคือจ้องคือตั้งท่าคือระมัดระวัง เราระวังจะตัวความอยากเนี่ยนะมันหลุดพดทออกมาแสดงความอยากมันหลุดพุดออกมาให้เห็นเป็นตัวเป็นตนตมันลอยออกมาเนี่ยงับได้ปับ๊บเนี่ยมันก็จบงับได้ปั๊บมันก็จบจนมันแสดงตัวให้ปรากฏออกมาไม่ได้เราค่อยมาขุดมาคุยหาขุดคุยมาที่ที่กายของเราเนี่ยแหละ เป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟคุยไปคุยมาคุยหาเราคุยหาเยือของความอยากเยือมันโผล่มาได้ยังไงมันโผล่มาที่ใจเพราะเราสํารวมไม่ได or ้พอเราสํารวมไม่ได้ปั๊บมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วเราสํารวมไม่ได้ปั๊บมันโผล่ขึ้นมาแล้วมาแทะเข้ามาแล้วแต่ถ้าเราสํารวมได้ปั๊บเนี่ยมันก็อยู่หมัดเลยช่องไหนประตูไหนทั้งหกสิบช่องมันก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้มันโผล่ออกมาไม่ได้ เพราะฉะนั้นสังรวมใจให้ได้อย่างเดียวเราไม่ต้องไล่เลยทั้งหมดเนี่ยเรารู้จักก็ตามเราไม่รู้จักก็ตามมันอยู่มันอยู่หมดแต่การที่เรามารู้จักช่องจากทางของมันเน่ยเรารู้เส้นรู้สายของมันเรารู้ก้านรู้กิ่งของมันอรู้เส้นรู้เอ็นรู้เส้นผูกพันระโยองระยาของมัน แต่สำคัญว่าเราดูที่กิริยาอาการของความอยากดูมาที่ใจของเราหัดดูแล้วเราจะดูออกจนสามารถจับได้ความอยากแสดงออกมาอย่างไงปั๊บจับปุ๊บแสดงความอยากออกมายังไงปั๊บจับปุ๊บจนมันอ่อนแรงมันอ่อนแรงมันหมดฤทธิ์หมดเดชก็เลยสักแต่ว่ามีสติ กำหนดรู้รูอยู่นั่นเห็นแต่ทุกอย่างเป็นสภาวะธรรมมีค่าเท่ากับจิต ด, ดวงเดียวทั้งหมดเนี่ยมีท่าค่าเท่ากับจิต ด, ดวงเดียวเพราะสํมรวมที่จิต ด, ดวงเดียวได้ตัณหาเกิดไม่ได้สัมรวมที่จิต ด, ดวงเดียวตัณหาเกิดไม่ได้เอาสติมาสํมรวมเอาสัมปชัญญะมาสํมรวมเอา ความอดความทนมากําหนดจดจอเอาความภาคความเพียรวิริยะอุตสาห์มาประคับประคองให้ต่อเนื่องนีเป็นพลังเป็นเครื่องไม้เครื่องมือต่างจากเราบริการพุทโธไ้ยมันก็อันเดียวกันต่างจากเราพิจารณาลมหายใจเข้าหายใจออกไหมมันก็อันเดียวกัน สรบรวมมาที่จิตดวงเดียวจบหมดว่า ง, งั้นเถอะบางครั้งเราไ ม, ไม่ไม่ทำให้งงให้ทำไม่ทําให้สับสนไม่ต้องเป็นไล่ตะคบอันนั้นตะคบอันนี้อันนั้นชื่ออย่างงั้นอันนี้ชื่ อ, อยังงี้จับมาที่จิตดวงเดียวเนี่ยจับมาที่จิตดวงเดียวใช้สติใช้สัมผัสัญญะประคับประคองให้จิตมันโลดอยู่ได้รับความสงบ ไม่มีอะไรพาวะวุ่นไม่มีอะไรพากระสับกระใสด้วยเหตุที่มันกระสานสร้างเส้นมันกระสับกระายมันยุ่งมันยุมันแย่มันก่อมันกวนไปทุกเส้นทุกแขนงทุกสาขาที่เป็นสายใหญ่ของมันเราเทียบไปที่สายใหญ่แมงมุมสายใหญ่แมงมุมเนี่ยตัวเจ้าขี้เจ้าการมันมันก็อยู่กลาง อะไรกระตุกถึงปั๊บมันถึงปั๊บมันอยู่กลางเนี่ยมันอยู่ศูย์กลางนี่อะไรกระตุกทางไหนปั๊บมันหันปั๊บงับอะไรกระตุกทางไหนปั๊บหันปั๊บงับวิ่งงับเลยมันวิ่งงับออารมณ์ทั้งหกสิอารมณ์อาการทั้งหกสิบอาการกระดุกกรดิกกระตุกกระติกกระตุกทางไหนปั๊บมันหันปั๊บงับหันปั๊บงับ นี่เราเอามาเทียบกับข้ออุปมาว่ามันเนี่เหมือนแมงมังมุมที่อยู่กลางใหญ่ใหญ่เมงมุมแมงมุมที่มันชักใหญ่เป็นหลายหลายเหลี่ยมหลายสัน น, น่ะนะเพื่อที่จะ ด, ดักกินเหยื่อของมัน น, น่ะเหยื่อมาโดนทางไหนปับ๊บกระเทือนถึงมนันปั๊บหันทับงับหันปั๊บงับงับทันที ถ้าหากเราไม่ทันถ้าหากถ้าากเราทันถ้าหากเราทั น, าาทนโลปั๊บจับปั๊บมันกระดุกดิกปั๊บจับปับตื่นรู้ทันทำ เอาทมไปแทนเอาทมไปนั่งแทนเอาผู้รู้ไปนั่งแทนเอาสติเอาสัมปชัญญะไปนั่งแทนไปนั่งแทนตัวตัณหาหมายคาอว่าตัณหามันกระแทกเข้ามาที่จิตทำก็แทกเข้ามาที่จิตแต่เราจะเทียบกบเหมือนกระยายเหมืองมุมเอาถ้าเอาทมไปนั่งแทนโผล่มากรู้โผมารู้ มาเส้นไหนสายไหนโผมากรุโผมากรุจับที่จิต ด, ดวงเดียวโผลมากรุถ้าให้ตันหามันเป็นนั่งให้กิเลมันเป็นนั่งโผลมาทางไหนก็งับโผลมาทางไหนก็งับโผมาทางไหนก็งับผลรายได้เป็นของมันทั้งหมดทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนเดินนั่งนอนมันจะไม่มากวันน้ำไร ม, มาหาสมุทรได้ไงนาทีตันหาสมานาทีไม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มี อันนี้เป็นหลักนะเป็นหลักที่เราย้อนมาข้างในใจของเราเนี่ยเป็นหลักสำหรับสำหรับสำหรับเราย้อนมาข้างในเราพยายามโยงสู่ข้อปฏิบัติสู่แนวปฏิบัติโยงไปที่จิตดวงเดียวเนี่ยมีสติกํากับมีสัมผชัญญะกํากับพยายามทางความรู้จัก พยายามทำอาการของธรรมะที่เป็นสติธรรมที่เป็นปัญญาธรรมที่เป็นขันติคือความปอดความทนขันติธรรมโสรัจักธรรมวิริยะธรรมอุตสาหะธรรมพยายามยงกีอาการเหล่านี้ผูกพันที่จิตของเราให้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นเกราะหุ้มจิตของเรา พืที่จะชะลอพุ่ที่จะสงบผพ้ที่จะระงับสิ่งเหล่านี้ได้อ่าพอแล้ววันนี้ใครข้อค้าข้อคาตั้งแต่ต้นยกแต่ฮะใครวะวนน อะไทยฮะเป็นไรฮะ